ไปชมด้วยเลยโดบยาที่หลายหลอย่างทั้งยากแก้ปวดด้วยเพราะมันคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้อีกต่างหากชั้นยากแก้ปวด้าไปอีกเพราะมันจะเป็นไข้แล้วจากนั้นก็เข้าประชมุมเวลาบ่ายสองโมงเมื่อวานเนี่ยกลับมาถึงวัดสองทุ่มแต่อยากจะเน้น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 ที่ร่วมการออกแบบแต่ค้าวก่อนออกแบบไปแล้วก็มันผิดจานที่ภูมิทัศน์ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแบบแปลนใหม่ก็ททำให้ช้าไปหน่อยก็จะใช้เวลาแดเดือนในการออกแบบก็ททำแบบเต็มที่เหมือนกันนะแปเดือนนะฟังๆดูแล้วจะใช้กระดาษตั้งพันกว่าแผน่นทั้งเกดียและพิพิธภัณฑ์ด้วยในระแวกบริเวณ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 อย่างไรหลวงพ่อก็ชี้แจงในจุดนี้ในรายละเอียด น, ยน่อยนึงก็ไม่มากจากนั้นท่านผู้ว่าก็เออใช่ก็ควรจะเขียนเป็นกรอบขึ้นมาในการมอบชันทะจากนั้นก็มีปูเหลิมแสดงความคิดเห็นด้วยบางประเด็นแล้วก็หลวงพ่อได้แสดงความคิดเห็นจุดหนึ่งคือยาวหน่อยหลวงพ่อบอกว่าในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่สมสิงหาที่พระองค์เจ้าจิริภาจุธาภรณ์พระองค์ท่านกับคณะอาจารย์ขึ้นมาเมื่อวันที่สสิงหาแล้วก็วันที่สี่เข้าพบยอาวาธวันที่หก็มาตรวจสถานที่ว่าเอาตรงไหนวันที่6ท่านก็ได้เสด็จไปที่วัดป่านาคําน้อยกับคณะอาจารย์เพราะฉะนั้นผมเองโดยพอจะรู้เรื่อง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 แล้วยังค่อยตัดเสื้อใส่จะชัดเจนจะดีไหมอันนี้ก็คือข้อที่สข้อที่ห้าคือผู้หาเงินเงินทุนกับผู้ออกแบบควรจะถามถามกันก่อนผู้ออกแบบเออผมจะออกแบบอย่างนี้นะศาลาลายนะเป็นเงินเท่านี้สระน้าเป็นเงินเท่านี้ที่จอดรถเป็นที่เงินเท่านี้สวนหย่อมเป็นที่แถวนี้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 เป็นตูปเป็นตะพอสมควรแล้วล่ะแต่คราวก่อนก็เหมือนกันเนี่ยลอแต่มันพอเอาไปเอามาผลที่สุดก็นเนีอยความคิดเห็นก็เบี้ยวขึ้นมาง่ายๆเน่คราวก่อนก็เลยมาลุมมาตุ่มกันเกิดหายไปเกือบสองปีก่อนที่จะหันหน้าเข้ามาหากันอีกแต่ถึงยังไงยังไงเจดีขององค์หลวงตาเนี่ยถึงยังไงก็ต้องได้สร้าง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 หลวงพ่อกลับมาถึงวัดกันสองทุ่มเมื่อคืนนี่เกือบสองทุ่มเมื่อคือนนีนี่แหละภารกิจของหลวงพ่อที่ได้ไประชุมที่สลากลางเมื่อวานนี้นะถ้าต่อ น, นี้ไปรับพร